บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปหลักสำคัญในมหาสติปัฏฐานสูตรที่พระพุ้มีพระภาคจะทรงแสดงไว้นั้นประการแรกคือทรงแสดงว่าเป็นเอกายนามกคือเป็นทางอันเอกหรือเป็นทางที่ บุคคลจะพึงดำเนินไปด้วยตัวคนเดียวเพราะตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลบุคคลหนึ่งจะทำอีกบุคคลหนึ่งให้บริสุทธิ์นั้นไม่ได้แม้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ศัลยรู้ธรรมะสั่งสอนธรรมะก็ทรงทาในชั้นของการที่สวดกันว่า ชี้ทางบรรทาทุกขและชี้สุขเกษารานชี้ทางพระนรุพานอันพ้นโสวิโยคภัยให้เท่านั้นส่วนการจะประพฤติปฏิบัติจนสัมผัสผลตามที่ทรงแสดงไว้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลผู้มีศรัทธามีภาษาธะในธรรมะของพระพุทธองค์แล้วน้อมนำธรรมะเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติอีกนัยยะหนึ่งนั้น เป็นทางเฉพาะที่จะนําบุคคลผู้ปฏิบัติไปสู่ความสงบระงับจนถึงดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์เพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงในชั้นของผลแห่งการปฏิบัติไว้ว่าสตานางวิสุทธิยาคือเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายความบริสุทธิ์นั้นคือการบริสุทธิ์ ปราศจากกิเลสเป็นเบื้องต้นต่อแต่นั้นก็เป็นผลที่เกิดจากจิตสงบระงับดับเพลิงกิเลสได้ความสงบหรือความวิสุทธิจะเกิดขึ้นตามขั้นตอนที่ทรงแสดงเอาไว้เมื่อบุคคลปฏิบัติ ด, ดำเนินไปโดยลำดับแล้วก็จะเกิดความสงบระงับไปเป็นชั้นๆในชั้นของศีล เป็นการสงบระงับบาปอากุศลที่บุคคลจะพึงทาด้วยกายกับวิจารในชั้นของสมาธิเป็นความสงบระงับนิวรณธรรมทั้ง5ประการซึ่งเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจของบุคคลในชั้นของปัญญานั้นเป็นความสงบระงับอย่างแท้จริงเ ป, เป็นการตัดกิเลสพร้อมทั้งมูลรากออกไปจากจิตใจ เข้าถึงความสงบอย่างสูงสุดเข้าถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงซึ่งไม่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเหมือนกะเพชรที่ได้รับเจรไนแล้วจะไม่แปดเปื้อนด้วยหินซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของตนฉะนั้นและนอกจากนั้นยังทรงแสดงว่าโสกะประเดวานังสมาติกมายะ คือทำจิตของบุคคลให้ผ่านพ้นจากความโสกความร่ำไรรำพันซึ่งตามปกติแล้วจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเมื่อประสบกับอารมณ์ที่น่าปรารถนาบ้างไม่น่าปรารถนาบ้างและเป็นที่อัดสดงดับไปของความทุกข์และโทรมนั้จะพบว่าทั้งสองอย่างนี้อย่างแรก ก็เป็นเรื่องของความทุกข์ที่จรเข้ามาอย่างที่สองเป็นทั้งความทุกข์ที่จรเข้ามาและความทุกข์โดยสภาวะแต่จะอย่างไรก็ตามทั้งสองประเภทนั้นเป็นผลที่เกิดมาจากกิเลสอันนอนเนื่องอยู่ภายในจิตสันดานของบุคคลเมื่อบุคคลเข้าถึงความสงบความสะอาดทางด้านจิตใจคือจิตใจปราศจากกิเลสแล้ว ความโศความร่ำไรรำพันความทุกข์ความโทมนัสที่เคยเกิดขึ้นก็ชื่อว่าสงบระงบไปเพราะกิเลสเป็นเหตุให้เกิดอาการเหล่านั้นได้ดับไปโดยสิ้นเชิงแล้วยายสัตอาทิคมายะเพื่อการบรรลุยาตยธรรมคือรู้แจ้ ง, ซ, งซึ่งธรรมะทั้งหลายที่เป็นปัจจัยอิงอาศัยซึ่งการและการเกิดขึ้น ได้แก่ธรรมที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทซึ่งงานที่จริงหลักของปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นหลักสากลที่ครอบคลุมสิ่งต่างๆในโลกนี้เอาไว้เป็นเรื่องของปัจจัยของเหตุของผลเมื่อมีเหตุบังเกิดขึ้นก็ต้องมีผลบังเกิดขึ้นและตัวผลนั่นเองก็จะกลับเป็นเหตุก่อให้เกิดผลอีกให้ตัวผลนั้นก็กลายเป็นเหตุก่อให้เกิดผลอีก เป็นลูกโซ่ที่ไม่มีวันจบสิ้นได้แต่เมื่อบุคคลได้ปฏิบัติตามหลักที่ทรงแสดงเอาไว้แล้วก็จะก็จะเข้าใจอย่างทราบซึ้งในเรื่องของเหตุผลโยงเหตุก็หาผลโยงผลก็หาเหตุแก้ไขเหตุเพื่อไม่ให้เกิดผลที่ตนต้องการในขณะเดียวกันเมื่อเห็นผลก็โยงก็หาเหตุต่างๆว่าเหตุพวกผลเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากเหตุอะไรเป็นต้น ปฏิจจสมุปบาทจึงเรียกอย่างหนึ่งว่าอิทัพปัจเจตาซึ่งแปลว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับยังยกตัวอย่างต้นไม้ต้นหนึ่งก็อาจจะออกกิ่งออกดอกออกใบออกผลสารพัดอย่างนี้ก็เพราะว่าความมีต้นไม้เป็นตัวเหตุเกิดขึ้นและแต่ละอย่างก็เองอาศัยกันเรื่อยไปแต่ถ้าหากว่า ถอนรากต้นไม้นั้นทิ้งไปผลทั้งมวลกิ่งใบเปลือกดอกทั้งหลายไม่ต้องพูดถึงก็ชื่อว่าหมดสิ้นไปเช่นเดียวกันในสังสารวัตรก็มีลักษณะอย่างนั้นเมียวิชาเป็นเบื้องต้นเมียวิชาเป็นมูลรากอาวิชาเป็นต้นค้าวของความของกิเลสทั้งมวลและกิเลสก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งมวลเพราะฉะนั้นตัวการที่แท้จริงของความทุกข์จึงจึงอยู่ที่อวิชา ซึ่งเป็นมูลรากของกิเลสปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นการรู้แจ้งซึ่งหลักของเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วเม่องกลับไปจริงก็ไปเจอที่ตัวของอวิชชาหลักการในพระพุทธศาสนาเป็นการปฏิบัติเพื่อขจัดตัวเหตุคือวอวิชชาเมื่ออวิชชาดับไปผลคือวิชชาบังเกิดขึ้นและต่อแต่นั้นก็จะทำหน้าที่ขจัดกิเลสซึ่งเป็นความมืดบอดทั้งมวลออกไป ความบริสุทธิ์แห่งศัตว์ทั้งหลายก็จะติดตามมาต่อแต่นั้นบุคคลก็ชื่อว่าเข้าถึงภาวะที่เรียกว่า น, นิพานคำวม น, นิพานนั้นทรงแสดงไว้สองชั้นด้วยกันคือชั้นที่เป็นโลกิยะ ท, ทั่วไปเป็นนัยยะหนึ่งของคำ น, นิพานเป็นการดับเพลิงกิเลสได้เพลิงทุกข์ได้ในขณะนั้นๆันนบ้างเป็นการดับด้วยผลของสมาธิภาวนาบ้าง แต่ว่าในชั้นหนึ่งเป็นการดับอย่างสงบระงับแท้จริงกิเลสทิละแล้วจะไม่กำเริบขึ้นไม่ว่าในการใดๆก็ตามนิพพานทั้งสองชั้นนั้นยังมีขั้นตอนที่ละเอียดออกไปแต่เมื่อบุคคลได้อาศัยการประพฤติปฏิบัติตามหลักในมหาสติปทานสูตรที่ทรงแสดงเอาไว้ผลทั้งห้าประการที่กล่าวมาแล้วก็จะบังเกิดขึ้นแต่ว่าตัวการที่ก่อให้เกิดอวิชชา เกวิชาที่มีปรากฏอยู่ภายในใจของบุคคลนั้นคือความไม่รู้อย่างแท้จริงในเรื่องของนามรูปในโลกนี้สิ่งทั้งมวลแม้จะมากมายอย่างไรก็ตามกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือกลุ่มนามกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มรูปกลุ่มหนึ่งกลุ่มรูปคือสิ่งที่บุคคลสัมผัสได้ด้วยประสาทท่าทางต้นคือตาหูจมูกลิ้นกายกลุ่มนามคือสิ่งที่บุคคลสัมผัสได้ด้วยใจ เมื่อบุคคลรู้แจ้งรูปนามได้ก็ชื่อว่าทำลายอาวิชชาซึ่งเป็นบูญรากของกิเลสได้รูปนามในที่นี้สงแบ่งออกเป็นสามกลุ่มด้วยกันคือกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากายเป็นกายานุ ป, ปัสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามดูกายของตนให้ส ง, งบอยู่กับกายจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในกายตน ไม่รู้แจ้งเห็นจริงในกายตนแล้วก็จะรู้แจ้งเห็นจริงในกายบุคคลอื่นความหลงความมัวเมาความทยานอยากในกายตนและกายบุคคลอื่นก็จะบรรทอเบาบางลงไปจนถึงกับสงบระงับไปในเรื่องของเวทนาซึ่งเป็นนามธรรมกลุ่มหนึ่งที่บุคคลสัมผัสได้ด้วยใจของตนก็ทรงสอนให้เพ่งสติสงบ อยู่ที่เวทนาแต่ละขณะที่ปรากฏขึ้นจนเกิดปัญญารู้แจ่มแจ้งในเวทนาเหล่านั้นสามารถถ่ายถอนความยึดความติดในเวทนาในลักษณะต่างๆ ต, ตลอดถึงความหลงว่าเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเวทนามีในเราเรามีในเวทนาหรือเวทนาเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นตนก็จะถ่ายถอนลงไปได้ ความยึดความติดในเวทนาที่บางเกิดขึ้นก็จะเบาบางลงไปจนถึงสงบเงับไปเมื่อใจไม่ยึดไม่ถือแล้วความทุกข์ในลักษณะต่างๆก็จะปรากฏเกิดขึ้นไม่ได้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเรื่องของจิตที่ทรงสอนให้บุคคลตรวจสอบดูในขณะนั้นๆดูให้รู้ว่าจิตของเราในขณะนั้นเป็นยังไงบ้าง เป็นราคะหรือไม่มีราคะมีโทสะหรือไม่มีโทสะมีโมหะหรือไม่มีโมหะเป็นสมาธิหรือไม่สมาธิเป็นต้นก็ให้รู้เอาไว้ในชั้นแรกเป็นการตั้งสติระลึกเพื่อให้เกิดความสงบดูจิตแต่เมื่อเห็นประจักษ์ชัดทั้งสองฝ่ายคือที่เป็นกุศลกับอกุศลแล้วบุคคลก็อาศัยปัญญาเป็นเครื่องกาหนดแยกเป็นเครื่องกาหนดตั คือในขณะใดที่อกุศลปรากฏขึ้นแก่จิตก็ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษของอกุศลเหล่านั้นของกิเลสเหล่านั้นแล้วก็พยายามขาจัดออกไปจากจิตใจของตนในขณะใดที่จิตประกอบด้วยกุศลมองเห็นผลคือความสุขความสงบที่จะมีได้เพราะกุศลธรรมเหล่านั้น ก็ใช้ปัญญาประคับประคองรักษาและเพิ่มพูนกุศลและธรรมเหล่านั้นขึ้นภายในจิตใจแต่วันในที่สุดก็จะมองเห็นว่าแม้ตัวจิตซึ่งบุคคลเคยยึดเคยติดเคยหลงว่าเป็นสภาพที่เที่ยงแท้แน่นอนนั้นแท้ที่จริงแล้วจิตก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเช่นเดียวกันจนสามารถถ่ายถอนความยึดติด ในธรรมะคือจิตลงไปได้ในกลุ่มต่อไปทรงใช้คำว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามดูธรรมะธรรมะที่ทรงสอนให้ตามดูนั้นเป็นทั้งรูปทั้งนามคือฝ่ายรูปรธรรมก็มีฝ่ายที่เป็นนามรธรรมก็มีเป็นการศึกษาเป็นการปฏิบัติโดยสรุปมีทั้งกลุ่มธรรมที่ควรกำหนดรู้ไว้เฉย โดยสภาพแผงธรรมเหล่านั้นว่าเป็นอย่างไรมีทั้งกลุ่มธรรมที่ให้กําหนดละโดยพิจารณาขั้นที่ละเอียดแทงธรรมเหล่านั้นมีทั้งกลุ่มธรรมที่ควรจะเริญควรประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดขึ้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือเรียนรู้เรื่องของธรรมนั่นเองแต่การที่ทรงจําแนกออกไปถึงสี่กลุ่มนั้นเกี่ยวข้องกับอัธยาศัย บจริตของบุคคลที่ไม่เหมือนกันคนบางคนมีจริตอีกอย่างหนึ่งมันเหมาะสมกับกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งก็สรงแสดงกรรมฐานเหล่านั้นเอาไว้แต่สำหรับกรรมฐานข้อที่เหมาะสมแก่บุคคลหนึ่งนั้นอีกบุคคลหนึ่งกลับไม่เหมาะสมก็อาจจะเลือกปฏิบัติอีกข้อหนึ่งได้โดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ความสงบและความรู้ปฏิบัติกรรมฐานข้อใดก็ได้เมื่อเกิดความสงบ เกิดความรู้เพราะการปฏิบัติเหล่านั้นย่อมมีจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกันคือความบริสุทธิ์แห่งสาต์ทั้งหลายการก้าวล่วงความโศกความร่ำไรรำพันการ อ, อัศดงดับไปแห่งความทุกข์จนเกิดความรู้แจ้งในปฏิจจสมุปบาทบรรลุนิพพานอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้แต่ว่าการที่จะปฏิบัติให้เกิดความรู้แจ้งแจ้งในนางมารูปนั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนักเพราะตามปกติแล้วจิตใจของบุคคลจะมีอาการยึดติดอย่างท่านอุปมาให้เห็นเป็นเชิงรูปธรรมถึงความยึดติดของจิตว่าเหมือนวานอนที่ติดตังท่านเล่าว่าวานอนตัวหนึ่งไปติดอยู่ที่ตังซึ่งบุคคลวางดักเอาไว้ในชั้นแรกก็ไปนั่งทับก็ติดอยู่ที่นั้นก็พยายามเอาเท้าแกะ ตางนั้นให้ออกก็ติดเท้าอีกและเอามือเข้าไปแกะมือก็ติดอีกเอาปากเข้าไปกัดปากก็ติดอีกเลยมีลักษณะติดหมดทั้งห้าส่วนของร่างกายอาการติดของจิตมีลักษณะเช่นนั้นเพราะว่าขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิษพิจารณาขาดการเสริมสร้างพลังแข่งธรรมะให้มีความแข็งแกร่งขึ้นภายในจิตใจของต จึงไม่อาจที่จะถ่ายถอนไปได้ในที่สุดก็อยู่ในลักษณะของวานอนจิตตังอย่างที่ท่านยกตัวอย่างไปดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสแสดงหลักธรรมที่เป็นตัวการสำคัญเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดผลคือความรู้ในกายในเวทนาในจิตในธรรมดังที่กล่าวแล้วธรรมานั้นทรงสแสดงไว้ทุกหมวดคือทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรม ให้ปฏิบัติจนถึงสามารถขยจัดอภิชาและโทมนัสออกไปจากจิตใจได้โดยเริ่มต้นที่ความเพียรเผากิเลสใละเ่าร้อนซึ่งใช้คำว่าอาตาปิซึ่งก็หมายความว่าถ้าเป็นความเพียรชั้นธรรมดาสามัญแล้วกิเลสนั้นถ้าอยู่ในชั้นของละเอียดบุคคลขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาแล้วจะแยกไม่ออกว่าแกเป็นกิเลส เพราะมีลักษณะอ่อนโยนละมุนละไมมีความปรารถนาดีมีความหวังดีต่อบุคคล น, นั้นอย่างยกตัวอย่างเช่นความเหนื่อยหน่ายความระอาที่บางเกิดขึ้นแกจากกระซิบกระซาบใจของบุคคลในลักษณะมีความเอื้ออาทรทต่อบุคคลเหล่านั้นต้องการจะไหว้พระสวดมนต์ต้องการจะบำเพ็ญเพียรทางจิตต้องการจะรักษาศีลกิเลสแก่ก็จะกระซิบใจ ตักเตือนด้วยความปรารถนาดีนั่งฟังเทศเน็ดเหนื่อยปวดหลังปวดเอวเป็นต้นนั่งกรรมฐานก็ง่วงนอนนอนกรรมฐานก็ได้อะไรตทะานี่จะมีลักษณะผ่อนปลนรับุญละไมมากถ้าหากว่าบุคคลขาดความเพียรพยายามในการเสริมสร้างธรรมะคือสติและปัญญาคือกล่าวโดยสรุปว่าขาดธรรมะทั้งสามประการนี้แล้วก็จะแยกไม่ออกมีคนเป็นจานวนไม่น้อย ในสมัยก่อนพุทธการในสมัยพุทธการและแม้ในสมัยปัจจุบันเวลาปฏิบัติธรรมะไปถึงจุดหนึ่งซึ่งกิเลสแกไม่ได้แรงอะไรทั้งไรคือชั้นของสมาธินั้นจะมีอาการยืดเหนียวติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นดึงไม่ค่อยออกเพราะมีความรู้สึกว่าดีว่าสนุกว่าสงบว่าเยือกเย็นเป็นต้น เพราะฉะนั้นสิ่งธรรมะที่ต้องใช้จึงต้องมีพลังแรงในด้านด้านความเพียรพยายามก็ต้องมีเป็นลักษณะของอาตาปีคือต้องเผากิเลสให้ร้อนประจักชัดออกไปมีสติคือความตามระลึกถึงกายถึงเวทนาถึงจิตถึงธรรมอย่างละเอียดทีจิบเพื่อดูให้เห็นสภาวะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นทั้งนี้จะเห็นได้ว่าอะไรก็ตามถ้าบุคคลมองแบบผัดผ มองโดยขาดการพินิษ์พิจารณาแล้วก็จะไม่รู้สภาพที่แท้จริงของสิ่งเดียดนั้นแม้ในระหว่างบุคคลด้วยกันพระพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงว่าความมีศีลนั้นจะรู้ได้ก็ด้วยการอยู่ร่วมกันและจะต้องอยู่ร่วมกันนานๆไม่ใช่ว่าเห็นการชั่วครู่ชั่วขณะแล้วก็วินิจฉัยตัดสินไปเลยว่าคนนั้นดีคนนั้นไม่ดี แต่จะต้องอาศัยการอยู่กันนั้นๆคอยพินิษ์พิจารณาคอยตรวจสอบดูจึงตัดสินใจลงวินิจฉัยไปได้ว่าคนนั้นดีหรือไม่ดีนี่เป็นรูปวัตถุด้วยซ้ำไปแต่ต้องอาศัยการเวลาเป็นเครื่องเพ่งพินิษพิจารณาดูจิงเป็นเรื่องของนามธรรมเป็นเรื่องของชั้นธรรมะที่ละเอียดอย่างที่ว่ามาแล้วเรื่องสติกับสัมปชัญญะจึงเป็นหลักที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง ปริมาณของสติจะต้องสูงปริมาณของสัมปชัญญะจะต้องสูงปริมาณของความเพียรจะต้องสูงถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็จะปิดกั้นกระแสะแห่งกิเลสไว้ไม่ได้ทำลายกิเลสไม่ได้ก็คล้ายๆกับเขื่อนหรือทำนกที่จะป้องกันน้ำเพือจะกักเก็บน้ำมาให้ได้เขื่อนต้องมีความแข็งแกร่งมากถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ถูกกระแสะน้าพัดพาไป ใจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นตามปกติแล้วก็จะไหลไปตามอํานาจของกิเลสและอารมณ์ถ้าธรรมะทั้งสามประการนี้อ่ อ, อนความเผลอเรอก็บังเกิดขึ้นได้ความคลั่งพลาดต่างๆก็บังเกิดขึ้นได้ความหลงในประเด็นต่างๆก็เกิดขึ้นดังนั้นจึงทรงแสดงธรรมไว้ให้มีลักษณะเห็นความเคลื่อนไหวในเชิงของการปฏิบัติว่าอาตาปีมีความเพียนเผากิเลสทรอน สติมาต้องมีสติอยู่เสมอซึ่งก็หมายความว่าชั้นที่สมบูรณ์จริงๆนั้นจะไม่มีคำ ว, ว่าเผลอเกิดขึ้นเลยแม้ชั่ววูบเดียวเพราะแท้ที่จริงแล้ววูบเดียวของความเผลอที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะ ก, ก่อให้เกิดอันตรายอะไรขึ้นมาก็ได้ยังยกตัวอย่างคนขับรถไปตามถนนอาจจะขับไปโดยสวัสดีเป็นสี่ร้อยห้าร้อยกิโลแต่วูบหนึ่งของความเผลอสตินั้นรถอาจตกถนนได้และเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ พระผู้มีพระภาคแก้วจึงทรงใช้คําว่าสติมากคือมีสติหมายความว่ามีอยู่ตลอดไปขาดไม่ได้และสัมปชัญญะก็สัมปชานะก็คือความรู้ทั่วแล้วก็รู้พร้อมไม่ใช่ว่ารู้หลังจากเกิดความพลังพลาดไปแล้วแต่ว่ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างและรู้พร้อมกับขณะนั้นนั้นกับอารมณ์นั้นนั้นซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้โดยพื้นฐานจริงๆแล้วความเพียรก็ดีสติก็ดีสัมปชานะก็ดี นี้อยู่แล้วภายในจิตใจของบุคคลแต่ว่าขั้นในการใช้งานจริงๆปริมาณของธรรมทั้งสามประการนี้ยัง อ, อ่อนไม่พอที่จะไปต่อสู้กับอำนาจของกิเลสซึ่งมีความรุนแรงและก็บังคับบัญชาจิตใจของบุคคลมาในภบในชาติต่างๆได้เป็นเรื่องที่จะต้องเสริมสร้างขึ้นจะต้องพยายามให้มีขึ้นฝึกปรือขึ้น การฝึกปลือก็ฝึกปลือกับอะไรฝึกปลือกับการใช้สติตามดูกายเวทนาจิตธรรมตามสมควรแก่จริตอัตยาใยของตนฝึกเสริมสร้างสัมบชัญญะให้รู้พร้อมที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมโดยอาศัยความเพียรพยายามเป็นแรงผลักดันเพื่อให้ธรรมะทั้งสองประการนี้มีความสมบูรณ์และการปฏิบัติที่ ท, ทรงใช้ธรรมะเพียง3าประการนี้เอง แท่จริงแล้วก็เป็นองค์อริยมรรคทั้ง8ประการซึ่งผู้ศึกษาจะพบว่าความเพียรกับสตินั้นก็คือจิตสิกขาหรือตัวสมาธิอันประกอบด้วยสัมมาวายามะความพยายามชอบสัมมาสติความระลึกชอบและสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบจึงแน่นอนว่าเมื่อธรรมะทั้งสามประการนี้ องธรรมทั้งองมรทั้งสามประการนี้ได้รับการปฏิบัติโดยสมบูรณ์แล้วจิตของบุคคลก็จะสงบระงับดับนิวรณ์ลงไปได้ส่วนสัมปชาญะนั้นก็คือปัญญาสิขาก็ให้เกิดเป็นความดำริในทางที่ชอบการดำริเมื่อใช้สติตามมาลึกดูกายเวทนาจิตธรรมแล้วก็จะเห็นความไม่มีสาระแก่นสารของสิ่งแ่านั้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรแก่การกำหนดไม่ควรแก่การยินดีรุ่มหลงบวมเมาใจประการใดใจของบุคคลก็จะเริ่มทายถอนความยึดความติดที่เคยมีอยู่เป็นอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมเหล่านั้นมองเห็นโทษของการกระทำอะไรไปตามอานาจของความโกรธที่เกิดขึ้นความดำริในการที่จะไม่อาคตาไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนก็จะติดตามมา เพราะโทษของความอาฆาตความพยาบาทนั้นอาจจะคิดสายไปได้นานาประการแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือการจุดไฟเผาใจตัวเองบุคคลมองเห็นโทษของกิเลสเหล่านี้ก็จะดำดิในการที่จะไม่พยาบาทมองเห็นบาปรกรรมของการประทุสร้ายการเบียดเบียนกันของคนและสัตว์ทางไหนว่าเป็นทางนำมาซึ่งทุกโทษนานาประการ ที่บุคคลจะต้องเสวยในชาตินี้และในชาติถัดก็ดำเนิในการที่จะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันความคิดความเห็นของบุคคลก็จะกลายเป็นสมาธิิคือความคิดความเห็นในทางที่ชอบซึ่งก็ปรับมาโดยลำดับจนถึงความเห็นชอบในอริยสัจ ท, ทั้งสีประการสามารถแยกกลุ่มธรรมทั้งหลายออกไปได้ ว่ากลุ่มอะไรควรจะปฏิบัติอย่างไรเจนกลุ่มของความทุกข์ทั้งหมดนั้นเป็นตัวผลที่เกิดมาจากกิเลสบุคคลไม่ต้องการที่จะให้มีกลิ่นดอกอุทพิระอยู่ไม่ใช่จะไปเด็ดดอกอุทพิระทิ้งเพียงอย่างเดียวเพราะถ้าเด็ดทิ้งวันหลังแกก็แตกดอกออกมาใหม่ก็เหม็นอีกพิธีที่จะแก้ไขก็คือต้องถอนต้นทิ้งไปความทุกข์ก็มีลักษณะอย่างนั้น เมื่อบุคคลไม่ต้องการปรารถนาก็สืบสาวไปจนหาถึงมูลเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์อันได้แก่สมุ ท, ทยัยซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ก่อพบก่อชาติก่อความทุกข์นานาประการทั้งที่เป็นส่วนสภาวะและส่วนที่จอดเข้ามาในลักษณะต่างๆแต่ว่าการจะดับความทุกข์ได้นั้นจะต้องอาศัยอุบายยวิีทีมีหลักการมีเป้าหมายก็จะเพียรพยายามทาให้แจ้งซึ่งนิโรธ ด้วยการปฏิบัติตามองอริยมรรคทั้ง8ประการข้อดีน่าสังเกตก็คือว่าในมหาสติปัฏฐานสูตรนี้ไม่ทรงแสดงส่วนศีลสิกศีรไว้ท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะเป็นชั้นของสมาธิแต่ธรรมะโดยปริยายอื่นก็ทรงแสดงว่าศีลเป็นภาคพื้นของสมาธิดังนั้นกว่าจะเข้าขั้นของการใช้ความเพียรใช้สติและสัมปชัญญะอย่างที่ว่ามาแล้ว บุคคลผู้ปฏิบัติก็จะต้องมีสัมมาวาจาส ม, มากัมมันตะและส ม, มาชีวะเป็นฐานรองรับก่อให้เกิดความสงบดังนั้นเมื่อบุคคลปฏิบัติไปแล้วจึงชื่อว่าเป็นการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาหรือปฏิบัติไปตามองค์อริยมรรคทั้ง8ประการและเมื่อองค์อริยมรรคทั้ง8ประการได้รับการประพฤติปฏิบัติโดยสมบูรณ์ที่เรียกว่าเป็นมรรคสามังคีแ้ว สัมมาญาณะคือความรู้ในทางที่ชอบก็จะบังเกิดขึ้นได้แก่ความรู้อริยสัจสี่ดังที่เคยกล่าวมาแล้วความรู้ในชั้นญาณ น, นี้มีผลในการขยจัดตัวสมุทัยหรือตันหาให้ออกไปจากจิตใจเมื่อออกไปได้แล้วก็ชื่อว่าเป็นการเข้าถึงความวิสุทธิเป็นการรู้แจ้งปฏิจจสมุปบาทเป็นการบรรลุนิพพาน เมื่อผลก็คือดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้ด้วยประการทั้งปวงดังนั้นสติปัฏฐานในสูตรนี้พระผู้มีพระภาคยา้าจึงทรงแสดงว่าเป็นเอกายนมัคคือเป็นทางอันเอกและเป็นทางที่บุคคลแต่ละคนจะพึงสัมผัสได้ด้วยตนของตนเองต่อแต่นี้ไปเขาให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป